โอ้โหวันทุวันน้อยปั้มความดีปั้มความฟังให้ทุกวันวัน oh ท <Yeah. S> 1วันน้อยปั้มความดีปั้มความฟังให้ทุกวัน <S <S เลิ่มจากคุณเอก น้ำที่กินองการ30ปีไม่ธรรมดาขวดเบ็ดคือหัวใจพรีพร้อมเนี้อพ่นภาพต้องฟังลูกค้าทั่วไทยต่างก็ไว้ใจเราวันทุวันน้อปั้นให้เต็มสปีขวดใส่ ให้ทุกวันอุมหุ้มจัดการทั้งคายทั้งแห่อาลูกค้าแฮปปี้ที่มางานก็รักกันที่ตอมสุดปังจัดออเดอร์ไม่พลาดส่งของตรงเวลาลูกค้าบอกเอี้ยมจริงจงพ่ออยู่โรงงานควบคุมทุกขั้นตอนเครื่องจักรโรงงานงามต้องช่างช้ดูแลดีน้องอุ้มวางแผ่นลิศลื่นไหลน้องหุ้มกับบาท จัดารเงินให้ฟินลุงริงที่ยามที่โอน้องที่าใชัยที่ตองน้องมินพี่พี่ไม่ท ร, รมาดาถ้าปรดส่งของไม่เคยชาลูกค้าได้ของยิ้มกว้างทุกทีพี่ปูคุ้มคู่สี่คุณภาพต้องฟังตรวจสอบทุกชิ้นไม่ให้หลุดแม้แต่ น, นิดส้มพอจะสตอก รีฟอมอะไรของคบไม่ขาดงานลื่นเหมือนน้ำมันพี่น ง, งออกแบบสวยจนลูกค้าถึงน้องฝ่ายสกรีนลวดลายปังไม่ไหวน้อง ให้ทุกวันจากหัวใจสู่ขวดใสวันทุกวันน้อเราคือทีมเดียวกัน